ปัญหาในกามคืออารมณ์ที่เป็นที่รักใคร่ที่น่ารักใคร่และยิ่งขึ้นไปกว่านี้ก็ยังประสงค์ต้องการเป็นนั่นเป็นนี่ ถึงได้มีแสดงเพราะว่าตัณหาตัณหาในภพเป็นนั่นเป็นนี่และที่เป็นนั่นเป็นนี่นั่นก่อนที่จะเป็นนั่นเป็นนี่อะไรก็ต้องเป็นเราขึ้นก่อนตัณหาในพบนั้นจึงตั้งต้นในปัญหาในความเป็นเรา คือตันหาในความที่เป็นตัวเราเราไม่มีตัวเราขึ้นก็ต้องมีความอยากที่จะให้ตัวเรานี่เป็นนั่นเป็นนี่ต่อไปอีก และก็ไม่ใช่แต่เท่านั้นเมื่อไม่ได้ตามตา้ตมอกตตงการตามอยากไม่เป็นตามต้องการตามอยากก็ต้องการที่จะให้สิ่งที่ขัดขวางทั้งหลายต้องการที่จะให้สิ่งที่ไม่ชอบทั้งหลาย สิ้นไปหมดไปต้องการที่จะไม่เป็นตามที่ไม่ชอบจะเป็นไม่อยากจะเป็นก็เป็นวิภาวะตัณหาขึ้นมาพระพุทธเจ้าทรงจำแนกแก่ธรรมก็ทรงจำแนกให้เห็นชัด ว่าอยากอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาอยากเหล่านี้ก็เป็นตัญหาทางนั้นจนกระทั่งอยากดํารงชีวิตอยู่นานก็เป็นตัญหาอยากตายก็เป็นตัญหาอยากดำรงชีวิตอยู่นานก็เป็นภาวะปัญหาเหมือนกรรมมันปัญหาอยากตายก็เป็นวิภาวะปัญหา เมื่อยังเป็นสัตตวโลกอยู่ก็จะต้องมีตันหาดังที่กล่าวมานี่แม้ว่าต้องการมรรคผลนิพพานความต้องการนั้นมันเกิดขึน้นเมื่อไรจะได้ใบมรรคได้ผลได้นิพพานก็เป็นตัญหาเหมือนกัน และแม้ว่าจะได้อริยมรรคอริยผลเป็นมระโสดาบันเป็นพระสกทาธรรมขามีเป็นพ ร, ระกะัณาคามีก็ละตันหาหยับยับได้ไม่โดยลําดับแต่ก็ยังมีตันหายในมรรคผลนิพพานที่ยังไม่ได้เมื่อมีความอยากขอเมื่อรดจะได้กเป็นตันหาเหมือนกันเป็นอย่างละเอียด ก็แปลว่ายังมีตันหาอยู่เพราะว่ายังไม่เสร็จกิจกันจึงแสดงว่าให้อาศัยตันหาละตันหาเพราะฉะนั้นตันหานั้นจึงเป็นสิ่งที่มีอยู่คู่กับโลกคู่กับสัตตโลกดังนี้ ใครจะอยากมีหรือไม่อยากมีก็ต้องมีในเมื่ อ, อยังเป็นสัตว์โลกหรือว่าเป็นอริยบุคคลแล้วก็ตามแต่ว่ายังไม่ถึงมรรคผลนผิพพานที่เป็นขั้นพระอรหันต์ก็ยังจะต้องมีกันอยู่ตามชั้นเพราะฉะนั้นในขั้นปฏิบัตินั้น ท่านจึงสอนให้อาศัยตันหาละตันหาและก็ได้มีสอนไว้ว่าสัตว์โลกทั่วไปนั้นมีจิตใจที่พล่อง ตัณหาธาศะเป็นธาตุของตัณหามีจิตใจที่พร้องนั่นก็คือมีความอยากมีความต้องการไม่เต็มไม่อิ่มไม่เพียงพอเมื่อเป็นดังนี้จิตใจยังมีความกระหาย มีความอยากใคร่จะได้ใคร่จะเป็นต่างๆใคร่จะทำลายล้างสิ่งที่ขัดขวางต่างๆเพราะว่าพร่องไม่เต็มไม่อิ่มไม่พอ และก็ยังมีตรัสเอาไว้อีกว่าความอิ่มด้วยตัณหาไม่มีเหมือนไฟไม่อิ่มด้วยเชื่อเราเชื่อสมเขามากเท่าไรไฟก็ลุกโตขึ้นก็กินเชื่อมากขึ้นไม่มีที่จะอิ่มไม่นีที่จะพอยิ่งสม ไฟใส่เชื่อมากขึ้นไฟก็กองโตขึ้นฉะนั้นเมื่อเป็นธาตุของตันหาตันหาสั่งให้สวัสดิหาต่างๆตามที่อยากตามทิดต้องการได้มาเท่าไหร่ก็ไม่พอ ต้องการเพิ่มเติมขึ้นอยู่เสมอเอาจะนั้นโลกทั่วไปยึงเรียกว่าเป็นโลกที่พร่องและเป็นธาตุของตันหาสิ่งทั้งปวงที่ตันหาต้องการ จะได้ต้องการจะเป็นก็รวมเรียกอยู่ในคำเดียวว่าทุกคือทุกอริยสัจอันสัข้อทุกรวมอยู่ในคำนี้คือเป็นตัญหาในทุก แต่ว่าเพราะยังมองไม่เห็นว่าสิ่งที่อยากจะได้อยากจะเป็นนั้นเป็นตัวทุกข์ิงต้องการะัะนั้นพระพุทธเจา้าจึงได้ตรัสสอน ชี้ให้รู้จักทุกไว้เป็นข้อสำคัญดังที่ตรัสแสดงชี้ให้รู้จักทุกไว้ในอริยสั จ, จข้อที่หนึ่งคือทุกขสั จ, จ ตั้งต้นแต่สภาวรทุกขชาติคือความเกิดเป็นทุกข์ชราความแก่เป็นทุกข์มรณะความตายเป็นทุกข์โสกความแห้งใจปริเทวะความรันจวนคร่ำครวญใจทุกขะความไม่สบายใจความไม่สบายกาย โภมนัสสะความไม่สบายใจอปายาสะความคับแค้นใจเป็นทุกข์ความประจบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักทั้งหลายเป็นทุกข์ความพลัดพลากจากสิ่งที่เป็นที่รักทั้งหลายเป็นทุกข์ปรารถนาไม่ได้สมหวังเป็นทุกข์โดยย่อขันเป็นที่ยึดถือทั้งห้าประการเป็นทุกข์ ก็ได้ก่รู ป, ปรขันกองรูปเวทนาขันกองเวทนาสัญญาขันกองสัญญาสังขารขันกองสังขารวิญญาณนะขันกองวิญญาณเนนนอกจากนี้ยังได้ตรัสชี้แจงให้รู้จักทุกยกเอา อาจจะระณะธาตุเป็นต้นขึ้นมาชี้จะลอดจนถึงยกเอาโลกขึ้นมาชี้ว่าเป็นทุกข์เพราะว่าที่คือวันโลกนั่นก็เป็นทั้งหมดเหล่านี้ และตัวคำว่าโลกเองนั้นก็แปลว่าสิ่งที่ชำรุดสิ่งใดชำรุดสิ่งนั้นชื่อว่าโลกรุดกติโิโลโ ก, โกยกเอาโลกคือขันอันนี้ว่าขันทะโลกคืออัตภาพ ร่างกายนามกายคือขันท่าของทุกๆคนนี้เป็นตัวอย่างเป็นขันทลกต้องเป็นทุกโดยสภาพเกิดละจิตใจเองนั้นก็มีโสกปริเทวะเป็นต้น ต้องแร่ค ก, กับสิ่งที่เป็นที่รักต้องประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักรัตนาไม่สมหวังเพราะฉะนั้นจึงต้องประสบสิ่งที่ไม่ไม่พอใจไม่ชอบใจที่ไม่สบายใจและสิ่งที่ไม่สบายใจอยู่เสมอ ปัญหาต่างๆอุปสรรคต่างๆที่บังเกิดขึ้นในทางต่างๆของชีวิตก็ล้วนเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นตัวทุกข์นี้ทั้งสิ้นคือเป็นสิ่งที่ไม่สบายกายไม่สบายใจที่ไม่ชอบใจที่เบียดเบียน ทุกคนยังต้องพบปัญหาต่างๆต้องแก้กันอยู่ทั้งภายในทั้งภายนอกซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านั้นก็คือตัวทุกนี้เองแก่อย่างนี้ตกแล้วก็ต้องเกิดปัญหาอย่างนั้นแก่อย่างนั้นแล้วก็ต้องเกิดปัญหาอย่างนี้แก้อย่างนี้อยู่ตลอดทุกวี่ทุกวัน ตังตนแต่ตืินขึ้นมาก็ต้องแก้ปัญหาเกี่ยวกับปากท้องของทุกๆคนเมื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับปากท้องมือเช้าเสร็จไปแล้วก็ต้องมาแก้ปัญหาเกี่ยวกับปากท้องมือกลางวันมือเย็นในวันนี้ต่อไปอีกตลอดวัน นั่นจะต้องแก้ปัญหาเกี่ยวกับปากท้องพวงนี้มรืน่นนี้ดังกล่าวมานี้ต่อไปอีกไม่ใช่ว่าแก้ปัญหาเกี่ยวกับปากท้องมื้อเช้ามื้อหนึ่งได้แล้วก็เสร็จกันเท่านั้นก็เกิดปัญหาขึ้นมาอีกหิวระหายขึ้นมาอีกก็ต้องแก่ให้ดื่มให้บริโภคให้อิม่ม กินแล้วอีกไม่นานเท่าไหร่ก็หิวแล้วหายใหม่ก็เกิดเป็นปัญหาก็ต้องแก้กันอีกนอกจากนี้ก็ต้องมีพัดผ่อนหลับนอนแลวต้องมีเครื่องแก้ปัญหากเกี่ยวกับหนาวร้อนต่งตางๆมีเสื้อผ้าต้องแก้ปัญหากเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บ นอกจากนี้เมื่อทําการงานก็จะต้องแก้ปัญหาเกี่ยวกับการงานต่างๆและต้องแก้ปัญหาเกี่ยวกับตัญหาเองที่ก่อขึ้นเจนตปัญหานั่นเองต้องการอยากให้ทำนั่นทํานี่ เพื่อที่จะได้นั่นได้นี่เพื่อจะเป็นนั่นเป็นนี่ครั้งได้นั่นได้นี่มาได้เป็นนั่นเป็นนี่มาก็เกิดปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่ได้สิ่งที่เป็นนั่นต้องจะต้องแก่กันไปอีกเราเรียกว่าตันหาก่อตันหาก่อปัญหาแก่แล้วก็ตันหาก่ อ, กอปัญหาขึ้นอีก เพราะฉะนั้นทุกคนจึงต้องพ่อปดตัวทุกอย่างละเอียดบ้างอย่างหยาบบางแล้วต้องแก่ทุกกันไปคราวหนึ่งคราวหนึ่งแล้วก็ต้องแก้กันใหม่อีกเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเจ้าจึงได้ทรงชี้ให้รู้จักทุกอันนี้แหละเป็นข้อสําคัญมาเป็นสิ่งที่มีครอบคลุมกันอยู่ทั่วไปทั้งหมดแล้วก็เลื่อนมาจากตันหานี้เพราะฉะนั้น ตันหานี้แม้ว่าจะจำแนกออกไปเป็นตัญหาในอารมณ์หกมีรูปเป็นต้นหรือเป็นตันหาสามอันมีลักษณะที่ให้เกิดผลเป็นพบใหม่เป็นใหม่ที่มีเพื่อนมิตรสหาย ไปด้วยกันอยู่ตลอดเวลาก็คือนังที่ความเพลินราคะความติดใจยินดีแล้วก็เติบโตยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นทั้งมีลักษณะที่ทำให้พล่องไม่เต็มทำให้บุคคลหรือจิตใจนี้เป็นธาตุคอยรับใช้สัญหายอยู่ตลอดเวลา และสิ่งทั้งปวงที่ตันหาจะได้ตรงการจะเป็นทั้งปวงนั้นก็คือทุกข์ทั้งนั้นก็เรียกว่าเป็นตันหาในทุกข์และที่เกิดใหม่ที่เป็นไปเพื่อความเกิดใหม่คือพบใหม่เป็นใหม่นั้ น, นก็เป็นทุกข์ใหม่เป็นทุกข์ใหม่สืบๆกันขึ้นไปนั่นเอง แต่เพราะเหตุที่ยังมีตัวสหายที่ไปได้วยกันคืนนั้นที่ความเพลินราคาความติดใจ ย, ยินดีจึงยังทิ้งตัวทุกที่ที่อยากที่ต้องการนั้นไม่ได้ก็เรียกว่ายังเพลินยังติดใจ ย, ยินดีอยู่ในตัวทุกโลกก็เป็นไปกันอยู่ดังนี้ แต่ก็เป็นไปพพบใหม่พบก็คือความเป็นเป็นใหม่ก็คือเป็นทุกข์ใหม่เป็นทุกข์ใหม่กันอยู่เรื่อยๆไปไม่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นความที่มามีสติจะลึกได้เอาว่าลึกได้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ดางที่นำมาแสดงนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็หัดวิจัยทรรมเลือกเว้นทรรมก็ย่อมจะได้ปัญญารู้จักทุกู้จักตัณหายิ่งขึ้นทำให้ได้ความเพียรในอันที่จะปฏิบัติละตัณหาละทุกยิ่งขึ้นจะทำให้ได้ปีติ ความดูดดื่มในธรรมความอิ่มกายอิ่มใจในความสงบกายสงบใจได้สมาธิและได้ตัวอุเบกขาความที่มีจิตใจสงบอยู่ในภายในได้มากขึ้นวางได้มากขึ้นเขยได้มากขึ้นแปลว่าลดความวุ่นวายลดความที่ยึดถือ ต่างๆงลงไปได้นี่แหละเป็นตัวอูเบคาก็เป็นโพชงแล้วก็ส่งให้เป็นสมมติทีความเห็นชอบยิ่งๆขึ้นตั้งต้นแต่ความเห็นชอบในบาป บ, บุญกุลโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์จนถึงในอริยสัจทั้งสี่ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนตลอดจนถึงในเทวธิบายของท่านมัสาริบุตรในชัดเจนขึ้น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 เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจะแสดงสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรอันมาในสัมมาทิฏฐิสูตรที่ได้แสดงมาโดยลำดับ ภิกษุทั้งหลายเมื่อเดชฟังท่านแสดงมาโดยลำดับก็ได้กราบเรียนถามท่านยิ่งขึ้นไปอีกว่ายังมีปริยายคือทางแสดงอืน่นอยู่อีกหรือที่ จะทำให้เป็นสมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบมีความเห็นตรงทำให้ประกอบด้วยความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในประธรรมนำมาสู่พระสัทธธรรมคือพระธรรมวินัย ในศาสนานี้ท่านพระสาริบุตรก็เลยตอบว่า <c oughs> ก็ยังมีปริยายคือทางที่พึงแสดงอธิบายต่อไปอีกและท่านก็จับแสดงต่อไปอีกจากที่ได้นำมาอธิบายแล้วว่า สัมมาทิฏฐิเห็นชอบก็คือรู้จักเวทนารู้จักเหตุเกิดเวทนารู้จักความดับเวทนารู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับเวทนา เมื่อท่านแจกเป็นสี่ดังนี้ท่านก่อิบายใบทีละข้อว่ารู้จักเวทนาก็คือรู้จักเวทนาหกอันได้เวทนาที่เกิดจากจากขู่สัมผัส สัมผัสทางตาเวทนาที่เกิดจากโสตสัมผัสคือสัมผัสทางหูคานสัมผัสสชาเวทนาเวทนาที่เกิดจากคานสัมผัสคือสัมผัสทางจมูกคิวหาสัมผัสสชาเวทนาเวทนาที่เกิดจาก คิวหาสัมผัสสัมผัสทางลิ้นกายสัมผัสสัมผัสทางกายมโนสัมผัสสัจฉาเวทนาเวทนาที่เกิดจากมายสัมผัสสัมผัสทางใจรู้จักเหตุเกิดเวทนา ก็คือรู้จักว่าสัมผัสเป็นเหตุเกิดเวทนารู้จักความดับเวทนาก็คือรู้จักว่าเวทนาดับเพราะดับสัมผัสรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับเวทนา ก็คือรู้จักมักมีองค์แปดมีสมาธิถิเป็นต้นจึงจะได้อธิบายเรื่องเวทนาอัำเป็นข้อแรกของสี่ข้อ ที่ท่านภุษาริบทได้ยกขึ้นอธิบายาเมื่อรู้จักก็ชื่อว่าสัมมาทิฏฐิคือเห็นชอบเวทนานั่นโดยทั่วไป ได้จำแนกไว้ได้จำแนกไว้เป็นสามคือสุขเวทนาเวทนาที่เป็นสุขทางกายทางใจทุกขเวทนาคือเป็นคือเวทนาที่เป็นทุกทางกายทางใจทุกขมสุขเวทนาคือเวทนาที่ไม่ใช่สุขไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุก รือเวทนาที่ทุกข์ไม่ใจสุขทางกายทางใจฉะนั้นเวทนาจึงหมายถึงขันธ์ข้าข้อที่สอง ซึ่งเป็นความรู้สวยเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขดังกล่าวเป็นไปได้ทางกายทางใจที่ทุกคนได้ ประสบอยู่เป็นประจำและเวทนานี้นับเป็นข้อสองของขันห้าคือรูป